นิดเรื่อง ทรงประณามว่าเจ้า 16 วันนี้พักก่อนพระกตพระพักเหนื่อย พระเเศฐาและพระอนุชาทั้งสอง ทรงให้ความสําคัญต่อพระเชษฐาในการ เมื่อถูกยุยงบ่อยครั้งเข้าก็พลอยหลง ข้าไม่ทําอะไรหรอกนอกจากจะหนีไปอยู่ที่อื่นไม่ จากนั้นเจ้าชายนั้นกหาปณะ รับใช้ใกล้ชิดเมืองประยุคคนละบาดวายพวกๆ พระราชาเสด็จพระราชดำเนินไปประพาสพระ พระราชาทรงอยากได้มากจึงรับสั่งนายขมังธนูพวกเก่าให้ ขอเดชะเรื่องยิ่งพวงมะม่วงให้ตกลงค่ะอืมเออ เจ้าเอาลูกธนูยิงให้อ่ะเอ่อเออ เออเอาเอาของ รับสั่งให้เจ้าหน้าที่กั้นบ่านเพื่อจะได้เปลี่ยน ครั้งพร้อมทั้งขึ้นสายไว้พร้อมก็ยกคันธนูคันใหญ่ เจ้าขอเดชะจึงได้ทูลถามขึ้นว่าขอเดชะข้าให้ ลูกธนูที่ข้าพระองค์ยิงเนี่ยจะพุ่ง <c oughs> สงบพระทัยอธิษฐานจิตให้เป็นสมาธิจากนั้น เสียงวิ่งแวกลมธนูวิ่งแวกลมตกลงมาลูก และขณะที่ตกลงและ เมื่อรวมแล้วประมาณ 1 เมโกฏ พระราชาประเทศราช 7 หัวเมืองได้ พระองค์รับสั่งให้สืบหา เกิดศึกสงครามประชิดเมืองก็ อย่าคิดมากเอาไว้เป็นหน้าที่ของพี่จัดการเองน้องพี่เรื่องมันแล้วก็ให้ ด้วยการจารึกข้อความลงไปฉะนั้น ขณะนั้นพระราชา 7 พระองค์ที่ ก็ยิ่งตกพระไทยหนักขึ้นยิ่งตกพระทัยหนักขึ้น บ้านเมืองสงบก็ลาพระอนุชาออก มักจะไม่ค่อย